ต่อห น, นี้ไปผมจะได้สัมมูนิยกถาถือโอกาสนี้เป็นการประชุมหรือเป็นการให้โอวาทหรือสัมมูณิยกถาต่อหมู่คณะที่มาประชุมพร้อมกันตามปกติทุกครั้งหรือบางครั้งการประชุมก็ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือวันพระ8ค่ำสิบหาค่ำมีการประชุมกันม่ได้ขาด แต่ในช่วงระหว่างกลางบางครั้งก็จะให้โอวาดหรือการแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยแก่หมู่พวกเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะวันพระ8คดข้าม5คบาข้ามเท่านั้นอันนี้เคยปฏิบัติกันมาโดยส ม, ม่ำเสมอทั้ง แหลงทางฝนถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาหรือมีอุปสรรคหรือมีสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็จะต้องมีการประชุมหารือในหมู่คณะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะการมาอยู่ร่วมกันหลายจิตหลายใจหลายแนวความคิดมีพระหลายรูปมาจากสกุลต่างๆที่ได้รับการศึกษาก็ไม่เสมอกันแนวความคิดไม่เสมอกัน พื้นฐานทางความรู้ไม่เสมอกันเพราะนั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ควรจะได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนในหลักธรรมะให้มีแนวความคิดในแถวแนวเดียวกันคือแนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอันนี้คือเป็นกรอบของพระสงค์ ถ้าว่าพระสงฆ์ท่านใดก็ตามจะเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าว่าออกนอกรูนอกทางฉลาดออกนอกหลักพระธรรมวินัยอันนั้นท่านจัดว่าเป็นการฉลาดแหวกแนวไม่ฉลาดอยู่ในกรอบถ้าจะว่าไปแล้วไม่เป็นผลดีต่อวงการพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการฉลาดแวกแนวแต่ถ้าหากว่าฉลาดเฉลียวฉลาด ก็เฉลียวฉลาดอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้หรือกรอบของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาอยู่ในกรอบนั้นแปลว่าเฉลียวฉลาดอยู่ในกรอบเป็นพระที่นากราบไหว้สักการะบูชาถึงจะโง่อย่างไงก็ตามโง่แสนโง่ก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยความโง่นั้นก็เป็นพระที่โง่ นากราบไหว้สักการบูชาเพราะว่าอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักถึงจะโง่หรือฉลาดยังไงก็ตามขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สําหรับให้พระสงฆ์ประพฤติธปฏิบัติมีอะไรบ้าง คือศินส2งีเริ่มตั้งแต่สอนอนุศาสตร์กิจที่ควรทาและกิจที่ไม่ควรทาอนุสาสตร์แดอย่างนิสัยสีอาการณียกิจนิสัยสีคือกิจที่ควรทอาอการณียกิจที่กิจไม่ควรทารวมกันแล้วอย่างและสี่เป็น8เป็น8อันนี้คือเบื้องต้นหลักพระธรรมคือมีทั้งนิใคระคือการข่มคือบัญญัติวินยัยไม่ให้ทา ปักใคหาแปลว่ายกย่องในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมให้ทําให้เจริญเพราะนั้นในหลักพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วมีสองคือให้ทําและห้ามไม่ให้ทํำอนุสาสิบแปดอย่างพระพุทธเจ้าให้ทําและไม่ให้ทํานิสัยสี่แปว่กิจที่ควรทํอาอัการณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทําอันนี้คือมาเป็นมาเบื้องตน้นจากนั้นก็แยกมาเรื่อยๆในพระวินยัย ในสินส2งีข้อปาาชิกสีสังฆาทิเศษส3สอนยศสองนิจกียปจิตตี30ปสปจิตตีิปฏิเทจนิยะ4ี่เสขียวัตเจ5ิ 75, ้ารวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น227แปลว่าสินของพระทั้งหมดในพระปฏิโมกมีอยู่227้อีข้อสินนอกพระปฏิโมก ค, คือสินอภิสมาจารมีมากมาย แต่ศินทั้งหมดพระพุทธเจ้ายนย่อลงมามีหนึ่งคือให้รักษาใจถ้ารักษาศินทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากให้รักษาใจของตนเองเท่านั้นพออย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปคิดออกนอกลู่นอกทางให้ดูใจของตนเองอยู่เสมอตลอด24ชั่วโมงดูใจนึกพุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวเองรักษาเพียงอันเดียวพอ หย่นย่อลงแล้วคือรักษาใจถ้าว่าเรารักษาสินก็คือรักษาเงาของจิตเงาของใจที่ออกไปเพ่นพ่านและออกไปสั่งให้กายทำอย่างงู้นให้วาจาพูดอย่างนี้เราก็เลยไปรักษามันมีเยอะเหลือเกินที่ใจของเราสั่งทางกายสั่งทางวาจาให้ออกไปกระทาเพราะนั้นท่านจึงให้รักษาใจอันเดียวจบเพะว่าสุขสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้าใจไม่คิดไปทางอากุศล การกระทำก็ไม่เป็นอกุศลไม่ผิดวิไนถ้าใจของเราไม่คิดไปในอกุศลวาจาของเราก็ไม่พูดไปในทางอากุศลก็ไม่ผิดวิไนเพราะนั้นเรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นที่เป็นเรื่องที่จะต้องกำกับดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษต้องใส่ใจในการดูแลใจของตอนเองเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีมากน้อย ขนาดไหนทั้ง8ปดหมี่พันพระธรรมะขันก็ตามย่นลงคือเข้ามาสู่ใจทั้งหมดใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้พิจารณาใจเป็นผู้ไตรตรองสรุปแล้วก็คือให้ใจดูที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นที่ใจจบลงอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราท่านทางหลาย อย่าไปถือว่าของเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวา ย, ส, ายส่ายแสหรือว่ามากมายไม่รู้จะรักษาอย่างไรเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังคํานี้หรือว่าฟังเรื่องนี้พวกเราคงจะเข้าใจว่าการรักษาศินทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นร้อยพันพันสิข้บทนั้นให้รักษาใจอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งแล้วเพราะนั้นสัมรวมอยู่ที่ใจแต่พวกเราจะทําอย่างนั้นได้เราจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะควบคุมตัวใจตัวนั้นได้ให้อยู่ในเกราะอันนี้แหละพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องหาแนวทางไม่ใช่ว่าปุรปปับแล้วจะคุมจิตใจตัวเองให้อยู่ได้เลยคงจะเป็นเรื่องที่แปลกประลาดมากหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบุญกุศลมากสําหรับ คนคนนั้นพอได้ยินว่าท่านต้องควบคุมใจของท่านให้อยู่ในความสงบนะและก็ควบคุมได้จริงๆอย่างที่ครูบาอาจารย์รืมอหลักพระธรรมคำสั่งสอนที่ท่านบอกเอาไว้ควบคุมตัวได้เองจริงๆอันนั้นแปลว่าเป็นผู้มีบุญบารมีเก่าในอดีตชาติเคยสั่งสมมาแล้วนานเท่านั้นพอได้ยินได้ฟังเท่านั้นจิตใจก็ไหลเข้าสู่ความสงบหยุดอยู่กับเท นิ่งอยู่กับที่เป็นหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วไม่ต้องได้มีพิธีรีตองอะไรทั้งหมดและก็หยุดอยู่นิ่งรู้เท่ารู้ทันตัวเองอยู่ตลอดการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของตนเองรู้อยู่ตลอดอันนี้แปลว่าเป็นผู้มีวาสนาเป็นผู้มีบารมีเก่าที่ได้สังสมมาดีแล้วก็คงจะเคยเป็นเคยฝึกหัดจิตภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ฝึกหัดอยู่เดียวนี้แล้วก็ติดพบติดชาติมาชาติที่แล้วมาลหลายๆชาติพอเกิดชาติหน้าขึ้นมาอีกพอได้ยินครูบาอาจารย์ท่านว่าดูใจตัวเองนะกําหนดดูใจตัวเองนะเพียงเท่านี้เราก็กําหนดดูใจของตัวเองอยู่ได้นิ่งได้อยู่ในความสงบได้อันนี้แปลว่าเป็นผู้มีวาสนาบรมีเก่าที่ได้สังสมมาดีแล้วอันนี้แปลว่าหาได้ยาก แต่ที่ว่าหาไม่ได้เลยคงจะไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าหาได้ยากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะหาได้ยากหรือได้ง่ายก็าตามพวกเราก็ต้องพยายามพยายามว่าจะทำยังไงจิตของเราจึงจะเข้าสู่ความสงบรู้เท่ารู้ทันอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดจะมีวิธีการอย่างไรอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก่อนแนะนำหลายหลายวิธีที่จะให้สติอยู่กับตัวเองอยู่กับกายตัวเอง อยู่กับความรู้สึกของตัวเองไม่ให้สงสัยไปออกไปข้างนอกวิธีการตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ก็คือกรรมฐาน40 40อย่างวิธีการ40อย่างที่จะจับจิตจับใจจับความรู้สึกให้อยู่ในความสงบไม่ให้กระสับกระส่ายออกไปข้างนอกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเราทุกวันนี้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หรือกำหนดภาวนาได้เพียงพรับเดียวไม่รู้วันหายไปไหนหายไปต่อหน้าต่อตามันหลุดลอยไปกว่าจะรู้สึกได้บางทีก็นานบางทีก็จับไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรที่จะจับจิตใจอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเกี่ยวกับบุญวัตสนามบารมีเคยฝึกหัดดัดนิสัยเคยฝึกฝึกฝนมาไว้ในอดีตอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องตน้นพราะนั้นถึงยังไงก็ตาม ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วใครจะเป็นคนฝึกให้เราถ้าเราไม่ฝึกตัวเองแล้วใครจะเป็นคนฝึกให้เราไม่มีใครที่จะฝึกให้เราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะฉนั้นพวกเราทั้งถึงจะไม่เคยฝึกมาก่อนก็ตามเราจะนับหนึ่งสอสาหรือนับ100ยรอยหนึ่งร0อยสอไปเลยก็ได้อทําไมมีที่ไหนล้วก็นับเดี๋ยวนี้แหละเริ่มเลยเอากรรมฐานเข้ามาจับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน แนะนำสั่งสอนตามที่แนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราคือให้นํากรรมฐาน40เข้ามาเป็นเครื่องบังคับใจหรือเอาใจให้จับกับกรรมฐานที่ท่านได้บอกเอาไว้ให้ใจของเราเข้าไปยึดอยู่ในกรรมฐานานั้นนั้นอย่างพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรเราจึงระลึกถึงเราจึงนับถือ เราจึงเคารพบูชาแล้วเมื่อเคารพบูชาแล้วพระพุทธเจ้าได้อะไรจากพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้อะไรเราต่างหากเป็นผู้ได้เพราะฉะนั้นการกราบเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีมพระเมตตาเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณประทานพระธรรมคําสั่งสอนให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเรา ให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีให้เป็นสมมาณีที่ดีด้วย พ, พวระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราชอบใจพวกเราไต่ตรองพระธรรมตามแนวธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสมีเหตุผลในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นเราจึงยอมมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าและก็ต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ต่อพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญสืบทอดกันมาที่แนะนําสั่งสอนพวกเราเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่มอบกายถวายชีวิตเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างเป็นแนวประพฤติปฏิบัติเป็นทางดําเนินของพวกเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างนี้พวกเราจึงได้กราบไดไหว้ ยึดเป็นชรณะของพวกเราเพราะนั้นเมื่อเราจะนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับร่างกายในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งอยู่ในสภาพอย่างไรให้สติอยู่ให้รู้อยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ให้จิต กระสับกระสายส่งไปออกไปข้างนอกถึงมันจะออกไปก็ตามพยายามบังคับให้เข้ามาสู่ความสงบเป็นหนึ่งให้จิตใจเป็นหนึ่งไม่ให้มีอารมณ์เป็นสองนี่แหละอันนี้จะพูดว่าเราเพียงแต่ว่ากำหนดเฉยๆไม่ได้ท่านบอกว่าให้บังคับคขาว่าบังคับคืออะไรไม่ให้มันออกไปบังคับเราบังคับสัตว์เราบัง ค, บาบางคับยังไงเราบังคับคนเราบังคับยังไง ใ ส, ส ual, ใส่โซ่ตรวนใส่โซ่ใส่อะไรบังคับคนเราบังคับใจของเราบังคับอย่างไรคือบังคับไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกไม่ให้มันสับกระสับกระสายเอากรรมฐานให้มันมาอยู่กับกรรมฐานที่ตัวเองให้มันอยู่เอาสติบังคับจิตให้มันอยู่กับกรรมฐานที่เรากำหนดเอาไว้ว่าให้ภาวนาพุทโธข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอก ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะเรานั่งอยู่ที่นี่เราจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดไม่ให้สงจิตออกไปข้างนอก บ, บับงคับบังคับให้ใจอยู่กับตัวเองเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายขณะที่นั่งให้พวกเราตั้งใจมั่นอย่างนี้ให้บังคับใจตัวเองอย่างนี้แต่การบังคับคนอื่นไม่เป็นผลดีแต่บังคับใจของตนเองให้อยู่ในกรอบของสติ เอาสติเข้ามาบังคับให้จิตอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองนั้นถ้าเมื่อเราฝึกได้แล้วเป็นมหาคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีอันไหนที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการฝึกจิตให้อยู่ในกรอบของสติจากนั้นเมื่อเราฝึกให้อยู่ในสติแล้วเราก็นำจิตที่ฝึกอยู่ในกรอบของสตินำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอันไหนอะไรเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่เรานึกคิดเห็นตามความเป็นจริงจริง ไม่เป็นอย่างอื่นอย่างเราพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็มาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าถึงจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามเราจะนั่งอยู่ก็ตามเราจะนอนอยู่ก็ตามเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามถ้าลมไม่เข้าหยุดไปเลยอันนั้นแปลว่าคนตายนะถ้าเริ่มหยุดเป็นหลายนาทีก็แปลว่าชีวิตของเราเริ่มตายแล้วเริ่มหมดสภาพแล้ว ถ้าหายใจไม่ออกก็เหมือนกันถ้ามันเข้าแล้วหายใจไม่ออกเราก็ตายความตายไม่ได้อยู่ในที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะดูได้วนะ่าเอออันนี้คือบ่อกเกิดของชีวิตเรียกว่าการเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างหัวใจเหมือนกันหัวใจทางานอันนี้ก็คือเรื่องของชีวิตก็เหมือนกัน มันเกี่ยวเนื่องกันในหลายอย่างแต่ถึงยังไงผมจะไม่พูดถึงจุดนั้นพูดแต่เฉพาะลมอย่างเดียวถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกเนี่ยแหะชีวิตของเราไปว่าบ่งบอกแล้วชีวิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นะ่ะตายแน่นอนเพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงมรณะภัยคือความตายตัวนี้ถ้าเราไม่ได้คิดให้ดีถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ได้ไตรตรองให้ดีถ้าจิตของเราไม่มั่นคงจิตของเราวงฟุ้งซ่าน จิตของเราไม่แน่วแน่จิตของเราไม่เป็นหนึ่งเราจะพิจารณาความตายน่มันไม่ซึ้งนะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็เห็นเหมือนกับริย์สาละสิ่งมันตายตายแล้วก็แล้วไปเห็นคนตายตายแล้วก็แล้วไปมันไม่ซึ้งเพราะมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเห็นด้วยสัญญาและสังขารสัญญาคือความจำได้หมายรู้คนเกิดมาก็ต้องตายอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสังขารคือความปรุงแต่ง ปงคุณนคิดว่าคนก็ต้องตายอย่างนี้แต่ถ้าว่าเห็นด้วยปัญญาอริยมรรคเห็นความตายด้วยปัญญาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านสอนเป็นอริยมรรคความลึกซึ้งในการเห็นความตายนั้นไม่ใช่ธรรมดามันเห็นลึกซึ้งแบบละเอียดอ่อนมากมันลงเข้าไปส่วนลึกของบึ้งหัวใจเลยมันเย็นว่าจน ความรู้สึกในใจของเราตะก่อนทําไมเราไม่เห็นอย่างนี้เราจึงไม่เห็นความตายอย่างนี้ในความรู้สึกของเราเพราะเหตุใดตะก่อนเห็นด้วยสัญญาและสังขารแต่บัดนี้เราพิจารณาด้วยสมาธิเป็นเบื้องตน้นเมื่อสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วนําจิตที่เคยผ่านความสงบมาแล้วมาพิจารณาถึงมรณะนุสติมาพิจารณาถึงความตาย มันจะเห็นความตายด้วยความลึกซึ้งจริงๆตายเนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยตายเนี่แปลว่าตัดขาดจากโลกตายแปลว่าตัดขาดจากร่างกายตายนี่แปลว่าตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจากพี่จากน้องจากวงศาคนาญาติจากทรัพย์สมบัติจากยศถาบรรดาศักดิ์จากวัดวาศาสนาจากร่างกายของตอนเองร่างกายของตอนเองก็หมดสภาพแปลว่ามันความตายตัวนี้แปลว่ามันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในตัวของเราในภพหนึ่งชาติหนึ่งในภพนั้นชาตินั้นถึงจะมีภพชาติที่สูงส่งยศถาบรรดาศักดิ์สักต่ำรวยขนาดไหนก็ตามเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วเป็นสภาพเดียวกันหมดเน่าลูกเดียวเน่าเฟะลูกเดียวผลที่สุดก็เอาไปเผาไฟเอาไปที่ไหนก็เอาไปเอาไปใส่หงซุยหงซีอะไรมันเหมือนสภาพกันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือตาย ตายคำนี้ถ้าเมื่อพิจารณาดูแล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันซึ้งจริงๆมันเข้าสู่จิตใจเบื้องลึกของหัวใจจริงๆมันเย็นจริงๆทุกเสิยงทุกอย่างเมื่อเห็นความตายแล้วมันจะปล่อยมันจะวางมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ถือโทษโกรธเครืองมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตัวกิเลสราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจนี่มันจะ ล้นเป็นขบวนขบวนถอยออกไปหลุดลอยออกไปมากทีเดียวเมื่อพิจารณาถึงมรณะรู้สติและลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายถ้าจิตใจของเราคึกขนองจิตใจของเรากระจับกระสายสายแสออกไปข้างนอกหลึกคิดออกนอกลู่นอกทางคิดสนุกสนานเพลิดเพลินเฮาคิดอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะสนุกเหมือนกับเป็นครวัตถ้าพวกเราระลึกถึงความตายเช่อย่างเดียว อย่างที่ผมว่าให้เห็นส่วนลึกของความตายพวกเราใจของเราที่มันวิ่งไปตามกระแสของกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักตัวเองขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละ คือสมถนะนี่คือส่วนหนึ่งคือทําจิตให้สงบภาวนาทําจิตให้สงบถ้าว่าจิตใจของเราเครึกข้องจิตใจของเรากระสับกระส่ายจิตใจของเราไม่อยู่ในร่องในรอยจิตใจของเราคิดปุ่งฟุง้งซ่านให้พวกเรานําจิตนั้นนะ่ะเมื่อพยายามบับงคับบังคับให้สงบเมื่อบังคับสงบให้ระลึกถึงความตายทันทีเมื่อระลึกถึงความตายแล้วทุกสิ่งทุงอย่างมันจะอยู่ในกรอบนิ่ง พอสมควรจากนั้นเมื่อระลึกถึงความตายเห็นความตายของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วจะพิจารณาต่อไปอีกก็ได้พิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลร่างกายของเรามีอะไรบ้างแยกส่วนแบ่งส่วนแยกแยะดูตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นของอสุภะปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดตายปอดใชใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอย่างที่พวกเราได้สวดอาการ32ร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้อันนี้คือการแยกส่วนแบ่งส่วนเพื่อให้ชัดเจนลงไปอีกเมื่อตายแล้วเป็นยังไงหรือเมื่อ ย, ยังไม่ตายที่นั่งอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของมนุษย์นี่มีธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟไประชุมกันอยู่อาศัยอยู่ แต่ใจของเราเข้ามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราลุ่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของร่างกายนี้จนยึดติดว่าเป็นของตัวเองจนแยกไม่ออกจนถึงนาทีสุดท้ายถ้าไม่ได้รับการแนะนําสั่งสอนไม่ได้รับการอบรมทางด้านจิตตะภาวนาแล้วพวกเราจะแยกไม่ออกตายไปแล้วก็ตายไป เราเปล่าตายไปฟรีๆตายไปแบบไม่ส้ำเหนียกไม่ส้ำนึกเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ส้ำเนียกไม่ได้แยกแยะไม่รู้ว่ากายกับใจนั่นคืออะไรเพราะไม่ได้รับการอบรมในทางที่ถูกต้องไม่ได้รับการอบรมจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังพอตายไปแล้วก็เป็นห่วงห่วงอะไรพอจนั่งกทุรักทุเลก็สับก็สายผัวนิสุดกระใจขาดก็ตายไปไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายกับใจนี่มันเป็นคนละอ่านกัน ใจของเรามาหลงร่างกายนี่หลงอย่างแนบแน่นหลงจริงจริงจิตมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนจริงจริงแต่เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติฝึกหัดจิตตภาวนาตั้งแต่เริ่มสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าใจของเราเป็นอันหนึ่งก็ต้องมาอาศัยร่างกายนี้อยู่เป็นผู้บัญชาร่างกายมายึดร่างกายแต่ให้กายนี้กระทาในใจที่ต้องการ แต่ว่ากายนี่ก็มีความสามารถทำได้เท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับรถมันจะวิ่งได้ขนาดไหนถ้ามันขรุขระเกินไปมันก็ไปไม่ได้มันจะกระโดดขึ้นต้นไม้มันก็กระโดดไม่ได้มันก็ต้องวิ่งตามถนนเครื่องบินมันจะมีความสามารถขนาดไหนมันก็บินได้ระดับแต่มันลงมันจะลงที่ไหนมันก็อยู่ในกรอบของมันอีกเหมือนกันร่างกายของมนุษย์นก็เช่นเดียวกัน ถึงจะใจบังคับให้ขนาดไหนมันก็อยู่ในกรอบในวิถีที่มันจะไปได้ที่มันจะทําได้ถ้าบังคับให้ออกไปจนร่างกายทําไม่ได้ร่างกายน่าจะต้องแตกกระจายอย่างพวกเราคิดว่ากระโดดตึกกระโดดซาราญกระโดดไปยอดต้นไม้แหมบังคับให้มันกระโดดมันก็กระโดดได้แต่กระโดดลงไปแล้วผลที่ออกมานัเป็นอย่างไรอันนั้นก็คือร่างกายแตกสลายนี้ก็เหมือนกัน ว่านั้นใจของเราเนี่ยบังคับร่างกายพอบังคับได้ในระดับหนึ่งให้ร่างกายของเราทําอะไรบ้างพูดยังไงบ้างนอนหลับทําการทํางานอะไรบ้างพูดจาอะไรบ้างเสา ะ, ะแสวงหาในสิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายยังไงบ้างอันนี้ก็คือใจของเราบังคับกายให้ทําในสิ่งนั้นๆเท่าที่ร่างกายมีความสามารถที่จะทําได้ แต่เหลือวิสัยจริงๆใจเขาบังคับให้ทําอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบของร่างกายจะทำได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนเมื่อร่างกายเด็กเมื่อร่างกายเป็นหนุ่มเมื่อร่างกายแก่ขีดความสามารถแต่และขั้นตอนก็มีอีกเหมือนกันเมื่อร่างกายแก่แล้วเราจะไปทําเหมือนเป็นหนุ่มก็ไม่ได้บังคับใจให้ทําอย่างเป็นหนุ่มก็ไม่ได้เพราะฉนั้นใจก็อยู่ในร่างกายอันนี้มันบังคับบัญชา ให้กายทำอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจุดจบแล้วร่างกายหมดสภาพแล้วใจของเราจะบังคับยังไง ร, ร่างกายของเราก็ทําตามบัญชาที่ใจบังคับไม่ได้แปลว่าหยุดและต่อต้านหยุดเพราะมันหมดสภาพผลที่สุดใจของเราก็อ่อนอกอ่อนใจทีนี้หมดกำลังใจซึมเศร้าเหงาหงอยผลที่สุดก็ร่างกายหมดสภาพลมหายใจไม่เข้า ลมหายใจไม่ออกจากนั้นใจของเราก็ออกจากร่างไปพอออกจากร่างไปไปปฏิสนที่ในภพภูมิต่างๆต่อไปนี่แหละชีวิตของมนุษย์ชาติชีวิตของสรรพสัตว์ในโลกเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าชีวิตของใครที่ไหนประเทศไหนชาติไหนที่จะได้ศึกษาพรุทธศาสนาหรือไม่ได้ศึกษาเป็นไปด้วยกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่ได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่ผมพูดเบื้องตน้นให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบเป็นหนึ่งไม่ให้จิตใจกระสับกระสายส่งไปออกไปภายนอกถ้าส่งออกไปอย่างนั้นประวัตใจไม่มีกําลังใจไม่มีพลังใจไม่มีกําลังเมื่อใจไม่มีกําลังแล้ว จะพิจารณาส่วนอื่นไม่ได้ได้ก็ไม่เต็มที่แต่ว่าผ่านความสงบบังคับให้อยู่ในความสงบเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายจะเห็นความตายที่แท้จริงเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เคยลึกซึ้งอย่างที่พวกเราเห็นเมื่อจิตสงบเห็นความตาย ในเมื่อเห็นความตายเสร็จแล้วมาแยกแยะส่วนร่างกายที่มันตายไปแล้วมันเป็นยังไงก็จะเห็นชัดเจนอีกพบจิตใจผ่านความสงบมาแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจไม่กระสับกระสายจิตใจไม่ใจไม่หิวไม่หยใจไปตามแนวแถวที่สติบังคับให้เป็นไปอย่างไรจากนั้นก็เมื่อพิจารณากายแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอันไหนที่จะยึดเพราะร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนั้น รู้เห็นจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้ลุ่มหลงใครเป็นผู้มัวเมาใครเป็นผู้ให้ความสําคัญในร่างกายนี้มันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้แหละเป็นตัวการสําคัญอย่างที่เดียพูดเบื้องตน้นย้อนไปหาจุดนั้นกลับมาหาตัวนี้หลยคือให้มารักษาใจศีลทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าศีลมากๆหลายๆข้อ ให้รักษาอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ใจทีนี้พอมาย้อนอยู่ที่ใจสินก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเข้ามาสู่ใจทั้งหมดใจตัวผู้รู้เนี่แหละไปลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจของเราไปลุ่มหลงไปมัวเมาไปให้ความสําคัญต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย้อนเข้ามาดูใจของเราทีนี้ใจของเราเนี่แหละเป็นต้นเหตุใจดวงนี้มันก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้ง บางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็พอใจมันก็สุขสุขทุกทุกสุขสทุกทุกอยู่ตัวเนี้ยตัวอนิจจังอยู่ตัวนี้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขังมันจะเป็นเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรมันก็เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราใจตรงนี้ก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกันให้ปฏิเสธตรงจุดนี้อีกนี่แหละ ธรรมะจุดนี้เป็นจุดที่ว่าสูงสุดของพระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ปฏิเสธกระทั่งใจตัวเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีของเกิดดับอยู่นี่จะเป็นของเราได้ยังไงเพราะมันมีเชื้ออยู่นี่แหละแต่ท่นี้เมื่อปฏิเสธอย่างนั้นแล้วขนาดใจตัวเองอย่างปฏิเสธแล้วเราจะยึดถือ หรือว่าเราจะได้สาระอะไรจากสิ่งที่เราปฏิเสธนั้นนี่แหละเมื่อเราปฏิเสธแล้วสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์ที่มันโดดเด่นเมื่อปฏิเสธจบไปแล้วสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ฟอกแล้วชำระแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเบื่อหน่ายปล่อยคลายแล้ววางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำให้ว่างแล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านถือว่าเป็นเรื่องประเสริฐสุดนอกจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงเอาสมมติเข้าไปจับสมมุติเข้าไปจับไม่ได้ในจิตดวงนั้นความบริสุทธิ์นั้นท่านก็ว่านิพพานังปรมังณูนยอย่างศูนย์เพราะไม่มีเชือ้อจะทําให้ เวียนไหวตายเกิดอีกนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอันไหนที่จะสุขยิ่งกว่าเมื่อดับเชื้อออกไปหมดแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้จำเหนียกสำนึกคิดให้ดีดูให้ดีตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดจนถึงตัวผู้รู้คือใจ มาถึงจุดนี้เท่านั้นอันนี้คือธรรมะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาสูงสุดของหลักของพุทธศาสนาคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือให้ดูใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่เป็นอย่างอื่นการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรหนต่อนี้ไปนั่งสมาธิเตรียมตัวนั่ง